วันนี้เป็นวันพระนะแล้วก็เป็นวันพระที่ไม่ธรรมดาด้วยนะเพราะว่าเป็นวันสําคัญนะในทางพุทธศาสนาเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะว่าเป็นวันคล้ายนะหรือตรงกับวันประสูติตัสรุและปรินิพานของพระพุทธเจ้าเรียกง่ายๆแบบวันวิสาขาบูชา เป็นวันที่เราควรจะทําอะไรพิเศษให้กับตัวเองแล้วก็ส่วนรวมสิ่งพิเศษที่วันนี้เราเรียกไงเอาว่าทําบุญปกติถึงแม้ไม่ใช่วันพระเราก็ควรจะทําบุญกันอยู่แล้วแต่เมื่อวันพระมาถึงแล้วก็เป็นวันสําคัญซะด้วยเราก็ควรจะทําบุญที่พิเศษกว่าวันก่อนก่อน สมุนที่ว่านี้เนี่ยจะหมายถึงการใส่บาทถวายสังฆทานหรือมาวัดเพื่อฟังธรรมซึ่งล้วนแตเป็นเรื่องดีนะเพราะอย่างน้อยก็เป็นการเติมความสดชื่นผ่องใสเบิกบานให้กับจิตใจหรืออย่าง น, น้อยก็เป็นการเว้นวักชีวิต ที่เคยทำเป็นปกติซึ่งบางครั้งก็อาจทำให้เครียดทำให้วิตกกังวลเราเว้นวักชั่วคราวเพื่อมาทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลหรือมาวัดนะฟังธรรมเดี๋ยวพอช่วงนีนะ้สถานการณ์โควิดก็ดีขึ้นแม้ว่าจะยังไม่ปลอดภัยสีทีเดียว แต่ก็ดีวกว่าปีก่อนนะที่เรามาวัดไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เรามาวัดได้แล้วก็เราสามารถที่จะทำบุญอะไรที่พิเศษให้กับตัวเองในวันนี้มีบุญอย่างหนึ่งนะที่เราน่าจะสนใจทำกันให้มากขึ้นนะนั่นคือการปลูกต้นไม้เพราะอะไรนะเพราะว่าต้นไม้เนี่ย มีความสําคัญนะกับพระพุทธเจ้าและดังนั้นจึงมีความสําคัญต่อพุทธศาสนาแล้วก็มีความหมายต่อเราทุกคนซึ่งเป็นชาวพุทธต้นไม้สําคัญอย่างไรนะกับพระพุทธเจ้านะก็อย่างที่เราทราบดีนะพระองค์ประสูตนตัสรู้บริิญญานก็ใต้ต้นไม้ต้นไม้ไม่ใช่เป็นแค่ส่วนประกอบหรือเป็นฉากหลังนะ ของผูทธเจ้านะแต่ว่าเป็นส่วนสำคัญด้วยเพราะว่าการตัดสู่ของุทธเจ้านี่เกิดขึ้นได้นี่เพราะพระองค์เนี่ยตั้งใจนะเลือกเอาสถานที่ที่มีธรรมชาติร่มรื่นท่านใช้คำว่าร ม, มั น, นีท่านเห็นริมแม่น้ำในรัญชาราเนี่ย มีความสงบร่มรื่นเป็นโรมันีอย่างที่พระองค์ตัดว่านเนี่ยฐานที่นี่เป็นถิ่นรมันีจริงหนอมีไผยสนร่มรื่นน่าชื่นบานนะมีแม่น้ำไหลผ่านน้ำเย็นชื่นใจตรงนี้แหละนะเป็นที่ที่เหมาะกับการบําเพ็ญความเพียรสำหรับกุลบุตร แล้วพระองค์ก็เลยตัดสินใจว่าจะใช้ตรงนี้แหละนะเป็นที่ทำความเพียรจนกทั่งได้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธิยามเป็นการบรรลุถึงความพ้นทุกข์ใต้ต้นไม้ในร่มไม้ต้นไม้นั้นตอนหลังแล้วก็ตั้งชื่อว่าต้นโพ ที่จริงชื่อเดิมเนี่ยชื่ออสัตถะนะแต่ว่าเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่พระเจ้าตัดสรูจึงเรียกว่าต้นโพโพที่แปลว่าตัดสรูและไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์นี้เท่านั้ น, นที่ตัดสรูใต้ต้นไม้พระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้น27พระองค์ก็ล้วนตัดสรูใตายต้นไม้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ น, นะไม่ได้ตัดสรูในถ้ำหรือว่าตัดสรู ริมชายหาดนะแต่ตัดสุลตายต้นไม้ทุกพระองค์เลยแล้วต้นไม้ก็หลากหลายมะม่วงก็มีมะเดื่อก็มีมะพรับก็ใช่นะต้นสนต้นสะดาวก็มีรวมทั้งต้นไทรต้นตีนเป็ดและต้นกากระถิงเป็นต้นก็ไม่ได้เป็นต้นไม้ที่วิเศษอะไรนะแต่ว่า ก็มีความหมายตรงที่ให้ความร่มรื่นเกื้อกูลต่อการบําเพ็ญธรรมจนพระองค์ได้ตัดสรุ้แม้กระทั่งผู้เจ้าองค์ต่อไปเนี่ยคือพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยก็มีการพยากรณ์ว่าจะทรงตัดสรุใต้ต้นกากะถิ่งน่ยต้นนาคะเนี่ยด น, นเวลาเราเราลึกถึงบุญคุณของผู้เจ้าก็ขอให้เราลึกถึงบุญคุณของต้นไม้ด้วย นะเพราะว่าต้นไม้นี่มีส่วนต่อการตัดสรุป ข, ของผู้เจ้าอันเป็นที่มาของพุทธศาสนาสมเด็จพระตุโคสอาชาเนี่ยถึงกับกล่าวว่าทินรมนันีเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของพุทธศาสนาและไม่ใช่แค่จุดตั้งต้นนะเพราะว่าหลังจากที่ผู้เจ้าตัดสรุปมีพระสงฆ์สาวกมาบวชเป็นจํานวนมากมีพระระหัน์ นับไม่ถ้วนการสร้างวัดสร้างวาเพื่อเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมจนนำไปสู่ความพ้นทุกข์ก็ล้วนแต่มุ่งให้เกิดเป็นที่ที่รมณนนีเรียกว่าถิน่นรมณีวัดสมัยก่อนในแต่พุทธการก็เป็นถิน่นรมณีทังนั้นเดีย๋ยวนี้เราไม่ค่อยรู้จักคำว่ารมณนนีนะเรารู้จักแต่คาว่าเริงรมนะ เราไม่เคยรู้จักคำว่ารมนีรมนีก็แปลว่าถ้าพูดเป็นรูปธรามคือน้าอุ ด, ดมร่มรื่นในพฤกษามีจุดเด่นก็คือมีต้นไม้ที่ร่มรื่นนะให้ร่มเงาให้ความสงบในเวลาพวกเรามาทำบุญเพื่อระลึกถึงคุณของพระเจ้าก็อย่าลืมระลึกถึงบุญคุณของต้นไม้ที่มีต่อพุทธศาสนา เวลาทำบุญเนี่ยอย่างเช่นในวันมาคะวิสาขาอาสารหะ ก, ก็อย่านึกถึงแต่เพียงทูบเทียนให้นึกถึงต้นไม้ด้วยนะเพราะว่าการบูชาคุณเนี่ยถ้าเรานําต้นไม้มาเป็นเครื่องบูชาคุณของพระเจ้าก็ถือว่าเหมาะสมแล้วควรทำด้วยนะเพราะว่าต้นไม้นี่ ถ้าเรานํามอเวียนเทียนแล้วเอาไปปลูกมันก็จะเกิดผลงอกเงยตามมาตราบเท่าที่ต้นไม้นะยังมีชีวิตอยู่ไม่เหมือนทูบเชียนนะพอเราเวียนเทียนเสร็จนะมันก็กลายเป็นขยะไปซะและ้วไม่เกิดผลอะไรขึ้นมานอกจากเป็นขยะที่เราต้องจัดการแต่ต้นไม้นี่เอาไปปลูกแล้วนี่ ก็จะนาสิ่งดีๆมาให้มากมายเช่นอากาศบริสุทธิ์ดึงฝนให้ตกลงมาจากฟากฟ้าถึงแม้ว่าต้นไม้ที่เราจะปลูกนี่มันก็ต้องอาศัยความตั้งใจในการดูแลให้เราูรลึกว่าต้นไม้เนี่ยเป็นต้นบุญนะอยากจะทำบุญเนี่ยก็ให้เราลรกถึงต้นบุญด้วยเป็นต้นบุญในง่ายๆที่ว่า ต้นไม้เนี่ยจะเติบโตงอกงามได้เนี่ยก็เพราะเราดูแลใจใสความดูแลใจใสนี่ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งนะบุญนี่คือการทำความดีถ้าเราทำด้วยความทำแล้วก็ตามอย่างเอาใจใส่นะมีความเพียรอันนี้ก็คือบุญต้นไม้จะงอกงามได้ก็เพราะมีบุญเป็นเหตุบุญของเรา แล้วก็ส่งผลง่องเงยเป็นบุญด้วยคือให้ความร่มรื่นแก่สรรพชีวิตให้อาหารกับสัตว์ต่างๆมากมายและเป็นที่พังพิงของสัตว์นานาช น, น, น, นิดประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกับสรรพสัตว์นี่เราเรียกว่าบุญเหมือนกันนะต้นไม้เนี่ยนะเพราะนันจึงเรียกว่าเป็นต้นบุญคือเกิดจากบุญ แก่ความเพียรพยายามของเราและก่อให้เกิดบุญคือประโยชน์แก่สรรพสัตว์มันผู้เจ้าก็ตัดไว้เองนะว่าผู้ใดสร้างสวนปลูกป่าบุญของผู้นั้นย่อมเจริญทั้งวันและทั้งคืนเพราะนั้นหนึ่งในวันวิสาข์เนี่ยก็ให้เรานึกถึงต้นไม้อย่างที่ผ่านมาหลายวันก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนนะหลายแห่งปลูกต้นไม้ปลูกป่า เพราะว่าเป็นการบูชาคุณของพูดเจ้าบูชาคุณโดยการขยายถิ่นรมณีให้กว้างนะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นการทำด้วยความสำนึกในบุญคุณของต้นไม้นี่ก็ทำกันไปหลายแห่งหลายที่แล้ววันนี้ก็ยังไม่สายนะที่เราจะทำหรือหลังจากนี้ก็ได้โดยเพราะวันนี้เนี่ยเราจะเวียนเทียนกันนะก็ลอง เวียนเชียนกันด้วยกล้าไม้ดูนะเพื่อเป็นการสำนึกในมูลคุณของต้นไม้แล้วก็เป็นการย้ำเจตนาว่าเราจะนำต้นไม้ไปปลูกเพื่อขยายถินรมณีหรือเพื่อสร้างถินรมณีให้กระจายกว้างไกลออกไปเป็นการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนา เพราะว่าถินโรมาเนียไม่ใช่เป็นแค่จุดตั้งต้นของพุทธศาสนานะแต่เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงคําจุนพุทธศาสนาให้ยั่งยืนมาจนทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่เรามองข้ามไปพุทธศาสนายังยืนมาได้ไม่ใช่เพราะพุทธบริษัททั้ง4ไม่ใช่เพราะมีวัดวาอารามมีบทวิหารอย่างเดียวแต่เพราะมีป่ามีธรรมชาติชี่ร่มรื่นแม้แต่วัดนี่ก็ยังต้องตั้งในป่าเลยจึงเกิดวัดป่าจํานวนมากแม้กระทั่งทุกวันนี้ หรือถึงเป็นวัดในเมืองก็ควรจะปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นแก่กายและความสงบเย็นแก่จิตใจเพราะนั้นเนี่ยคืนนี้เย็นนี้เนี่ยพวกเราจะไปเวียนเทียนที่ไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งที่นี่นะก็ให้นำต้นไม้มาร่วมเวียนเทียนด้วยหรือจะเอาต้นไม้จากที่นี่ก็ได้นะเอาไปเวียนเทียนแล้วก็เอาไปปลูกนะเพื่อให้เกิด ความร่มรื่นและขยาชฉินรมณีให้กว้างออกไปและเพื่อให้ต้นบุญนั้นเนี่ยได้จะเลยงอกงามในที่ที่ของเราหรือที่สาธารณะก็ได้